จเจริญอรท่านสาธุชนพุทธบรยสั์ผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆทก่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่ท่านตั้งหลายได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติไปปฏิบัติเพื่อการสร้างความสุขทางใจและการดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปจากใจเพราะมีความศรัทธามีความเชื่อในความรู้ความสามารถ ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครจะมีความรู้ความฉลาดความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ต่อให้ได้เรียนจบถึงระดับป ร, ริญญาเอก ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้มีพระพุทธเจ้าของพวกเราเพียงพระองค์เดียวที่มีความรู้ความสามารถที่จะดับความทุกข์ควา ม, มวุ่นวายใจต่างๆของพวกเราให้หมดไปได้แต่ท่านไม่สามารถดับให้เราได้ ท่านรู้จักวิธีท่านสอนเราให้เรานำเอาไปดับกันเองเพราะว่าความทุกข์ใจของแต่ละคนนี่เป็นเรื่องของแต่ละคนคนอื่นไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจให้กันได้เราต้องเป็นที่พึ่งของตนเป็นอั ต, ตาหิอาตโนนาโถ คือเราต้องเป็นผู้กําจัดความทุกข์ใจต่างๆเพราะว่าเราเป็นคนสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราทุกข์ใจได้และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้ต่อให้มีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านต่อให้เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดี จะเป็นอะไรก็ตามจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราได้เพราะความทุกข์ใจเกิดจากการกระทำของเราเองพวกเราในคนสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษบุคคล น, นั้นโทษบุคคล น, น, น, คค น, นี้แล้วก็พยายามที่จะไปแก้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, น, น, น, นั้นบุคคล น, นี้น เพื่อจะทำให้เราหายทุกข์ใจต่อให้เราแก้ได้มากน้อยเพียงไรความทุกข์ใจก็จะไม่หายไปเพราะเราจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่กับคนนั้นคนนี้ใหม่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบที่เราเรียกว่าตัดสรรุทรงตัดสรรุว่า ความทุกข์ใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจของพวกเรานี้เกิดจากตัวเราเองเกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราอยากแล้วเราก็จะวุ่นขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่วุ่นวายใจถ้าเราอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปพยายามทำให้เขา เป็นไปตามความอยากของเราถ้าเขาไม่เป็นตามที่เราต้องการเราก็จะเสียใจทุกใจถ้าเขาเป็นก็เราก็ดีใจเดียวเดียวแ้วเดียวเราก็อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อีกพวกเรามีความอยากแบบนี้มาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้ความอยากต่างๆที่พวกเรามีอยู่นี้ ก็ยังไม่หมดไปแลนะจะไม่มีวันหมดไปได้ถ้าเราไม่มาหยุดมันนะแต่เราไม่รู้กันว่าความไม่สบายใจความวุ่นวายใจความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของเราเองเราเลยไปแก้สิ่งที่เราคิดว่าทำให้เราวุ่นวายใจเราอยากได้เงินเราก็ไปหาเงินกัน อยากได้แฟนก็ไปหาแฟนกันพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกกับแฟนทุกกับเงินเพราะเงินที่ได้มาจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ทุกกับเงินทองก็ต้องไปหาเงินทองใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะเราอยากจะใช้เงินมากกว่าเงินที่เราจะหาได้นี่คือปัญหาของพวกเรา ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินทองมากเงินทองน้อยคนที่หยุดความอยากได้นี้ไม่มีเงินทองเขาก็มีความสุขได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านไม่มีเงินทองแต่ทำไมท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราเพราะท่านรู้ว่าความทุกข์ความสุขใจไม่ได้อยู่ที่มีเงินทองมากหรือ ม, มีเงินทองน้อย แต่อยู่ที่ความอยากของใจเราถ้าเราไม่อยากได้เงินทองแนละ้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเงินทองถ้าเราไม่อยากมีแฟนเราก็จะไม่ทุกข์กับการมีแฟนมีแฟนแล้วมันทุกข์ไหมทุกข์เพราะต้องห่วงไหมทุกข์เพราะต้องห่วงไหมทุกข์เพราะต้องเสียใจไหมเวลาเขาไม่ดีกับเราทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้ไหม เวลาเขาทิ้งเราเวลาเขาจากเราไปนี่แต่เราไม่มาแก้ที่ความอยากมีแฟนพอเขาทิ้งเราไปร้องโหมร้องไห้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ไปหาแฟนใหม่แล้วก็ไปทุกข์กับแฟนคนใหม่ต่อนี่คือปัญหาพวกพวกเราเราแก้ปัญหาผิดที่กันเราไปแก้ปลายเหตุ เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์กับใครกับเรื่องใดกับสิ่งใดเราจะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะการมาเกิดใหม่ก็เกิดจากความอยากอยากมีนั่นมีนี่อยากดูนั่นดูนี่ อยากฟังนั่นฟังนี่อยากกินนั่นกินนี่จะกินได้จะดูได้จะฟังได้ก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่พออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือความทุกข์ไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกาย ร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจเราไม่ปกติเองใจเราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายใจเราอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอริยรรสัจสีนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้ สามารถรู้ได้ด้วยตนเองทั้งๆ ท, ที่มีอยู่ในใจทั้งทั้งที่มีอยู่กับเราตลอดเวลาและเรากลับมองไม่เห็นมันเหมือนกับเรานี่มองไม่สามารถมองเห็นดวงตาของเราได้เพราะเราเราใช้ดวงตาไปมองไปที่อื่นเราไม่มีกระจกถ้าเรามีกระจกเราถึงจะเห็นดวงตาของเราฉนาันใดถ้าเราไม่มีคำสอน ไม่มีการตัดสรุปของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกสอนเราว่าความทุกข์ใจของเราความสุขใจของพวกเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากเท่านั้นเองถ้าอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ไม่เชื่อลองไปทดลองดูลององอยู่เฉยๆไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไร ไม่อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนแต่ปัญหาก็คือเราทำใจไม่ได้ทำใจให้ไม่อยากไม่ได้พอนั่งเฉยๆก็อยากจะไปทำนู่นทำนี่แล้วพออยากไปทำนู่นทำนี่ก็นั่งเฉยๆไม่ได้แล้วเราเคยเกิดมานั่งเฉยๆบ้างไหยเคยตั้งใจนั่งเฉยๆบ้างไ้ย พราวันนี้จะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรสักวันหนึ่งไม่ดูไม่ฟังไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มไม่ทำอะไรทั้งนั้นจะนั่งเฉยๆทำไมนั่งไม่ได้กันก็เพราะว่ามันไม่อยากนั่งมันอยากจะไปทำนู่นทำนี่อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเล่นอยากเที่ยวกันก็เลยต้องไปทำกัน ทำมามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยหายความอยากก็ไม่เคยหายทำแล้วก็อยากจะทำเพิ่มขึ้นไปอีกไม่เคยสูบบุหรี่ลองไปสูบบุหรี่ดูสูบไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบไปเรื่อยๆไม่เคยดื่มกาแฟไปดื่มกาแฟดูพอดื่มแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆพออยากแล้วทำพอไปทำอะไรตามความอยากแล้ว มันก็จะต้องทำไปเรื่อยๆถ้าอยากจะหยุดเราก็ต้องอย่าไปทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟรเราก็อย่าไปดื่มมันเดี๋ยวไม่นานไม่กี่ครั้งมันก็หายความอยากก็จะหายไปอยากดื่มสุราก็อย่าไปดื่มมันเดี๋ยวไม่กี่ครั้งมันก็หายไปแล้วก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอยู่เฉยๆได้คนที่อยากดื่มกาแฟอยากดื่มสุรา กับคนที่ไม่อยากดื่มกาแฟไม่อยากดื่มสุราคนไหนจะสบายกว่ากันใครจะสุขกว่ากันคนอยู่เฉยๆเนี่ยสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่คนที่อยากเนี่ยเดือดร้อนต้องไปหามาดื่มดื่มแล้วก็สุขเดียวเดียวสุขแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยากใหม่กลับมาทุกข์ใหม่นี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับตัวเรา มีกับเรามาทุกภพทุกชาติแต่เราไม่เคยมองเห็นมันเหมือนกับดวงตาของเรานี้ถ้าไม่มีกระจกนี้เราจะไม่มีวันที่จะเห็นดวงตาของเราได้เราจะไม่มีวันเห็นรูปร่างหน้าตาของเราได้ที่ทุกวันนี้เราเห็นตาของเราเห็นหน้าของเราได้ก็เพราะมีกระจกฉันใดถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเราก็จะเห็นว่า ความสุขความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากหรือความไม่มีความอยากของพวกเรานี่พระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนกระจกพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆความจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปได้เราต้องเป็นคนกำจัดเองเหมือนกับเราดูกระจกเพื่อเราจะได้รู้ว่า ตอนนี้หน้าตาเราเป็นยังไงสกปรกหรือไม่เปื้อนหรือไม่มีสิวมีฝ้ามีอะไรหรือไม่พอเรามีกระจกเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะได้แก้ไขได้ถ้าหน้าเปื้อนก็เอาไปล้างทาปากแล้วมันเปื้อนทาปากว่าไม่สวยก็ต้องเช็ดมันให้มันสวยแต่งให้มันสวยทาคิ้วแล้วคิ้วมันไม่สวยถ้าไม่มีกระจกเราจะแต่งหน้าตา แต่งหน้าทาปากได้หรูป้ป<ม>่ะแต่งไปก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง<ม>นี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นกระจกสอนพวกเราว่า<ม>ความสุขความทุกข์ของพวกเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่การมีมากมีน้อยไม่ได้อยู่ที่การเป็นใหญ่เป็นโตรหรือเป็นคนยากจนไม่ได้อยู่ที่การ มีรูปร่างหน้าตาสวยงามหรือไม่สวยงามมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราเท่านั้นเองถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราได้พวกเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นแล้วนำมาเผยแผ่สัมสอนให้แก่พวกเรา พระพุทธเจ้าไม่มีคาถาอาคมที่จะมาเสกมาเป่าให้เราเป็นเทวดาให้เราเป็นอะไรได้ให้เราไปนิพพานได้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเพียงแต่ว่าท่านเป็นคนที่สอนในสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้ได้ท่านเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กัน ก็คือความสุขความทุกข์ของพวกเราว่าเกิดจากความอยากหรือเกิดจากความไม่อยากของพวกเรานี้เองแล้วท่านก็เลยเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าเราหวังให้พระพุทธเจ้าเสกเป่าให้เราวิเศษให้เราล่ำให้รวยเราก็จะผิดหวังเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความสามารถที่จะเสกจะเป่าให้เราล่ำรวยได้ ให้เราหลุดพ้นจากความยากจนต่างๆได้เราต้องเป็นคนเสกคนเป่าเราเองคนที่เขารวยเขารวยเพราะเขาเสกเขาเป่าตัวเขาเองเขาไม่ได้ไปหาพระองค์นั้นองนี้มาเสกมาเป่าไปหาน้ํำมนต์ของพระลูกนั้นลูกนี้มาลดหัวมาอาบน้ํามันก็เป็นน้ําคําเสกคําเป่ามันก็เป็นลมปากเท่านั้นเอง มันไม่สามารถทำให้ใครดีหรือใครชั่วได้สิ่งที่จะทำให้เราดีหรือชั่วได้อยู่ที่การกำจัดความอยากของเราหรือไม่กำจัดความอยากของเราเท่านั้นเองถ้าเรากำจัดความอยากของเราได้เราจะดีเพราะคนที่ไม่มีความอยากนี้ไม่ต้องไปทำอะไรนั่นเองแต่คนที่มีความอยากนี้จะต้องไปทำนู่นทำนี่ทำแล้วก็ไปแข่งกับคนนั้นแข่งกับคนนี้ ไปแย่งกับคนนั้นไปแย่งกับคนนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปตีกับคนนั้นไปตีกับคนนี้ไปทะเลาะกับคนนั้น <lum> ไปทะเลาะกับคนนี้อ <t> ย่างที่เขามีคําพูดว่าแย่งผัวแย่งเมียกันคนที่อยากมีผัวอยากมีเมียถ้าเกิดไปอยากได้คนเดียวกันจะทําอย่างไรก็ต้องไปแย่งกันแต่ถ้าคนไม่มีความอยากมีผัวมีเมียก็ไม่ต้องไปแย่งผัวแย่งเมียกับใคร คนที่ไม่อยากจะรวยก็ไม่ต้องไปแย่งเงินแย่งทองกับใครคนที่ไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ต้องไปแย่งตําแหน่งไปแย่งอะไรกันพอไปแย่งแล้วทําไงถ้าแย่งด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายไม่ได้ถูกศีลธรรมไม่ได้ก็เล่นแบบวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเห็นไหมกฎหมายเขาสั่งว่าห้ามซื้อเสียงแล้วเป็นยังไงเวลาเลือกตั้งกันนี้ มีการซื้อเสียงหรือไม่มีการซื้อเสียงเพราะความอยากเป็นผู้แทนอยากให้เขาเลือกมามาเป็นผู้แทนคนไม่อยากเขาก็ไม่ต้องไปซื้อเสียงไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางทาบาปทำกรรมตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอาบาย นี่แหละอยู่เกิดจากความอยากของพวกเรานี่เองถ้าเราไม่อยากได้อะไรล้วเราจะต้องไปทำบาปทำกรรมหรือเปล่าถ้าไม่อยากได้เงินเราจะต้องไปลักทรัพย์หรือเปล่าเราต้องไปโกหกหลอกลวงหรือเปล่าเราเมาไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นว่าความอยากนี้เป็นของดีทำให้เราร่ำให้รวยทำให้เราสุขให้เราเจริญแต่ความสุขความเจริญของพวกเราานี้ มันสุกเพียงทางร่างกายเท่านั้นเองเวลาเรามีเงินเราอยากจะกินอะไรเราก็ซื้อมากินได้เวลาอยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้ร่างกายเราก็ซื้อมาได้แต่เวลาไม่มีเงินนี้ใครรับเคาะนะไม่ใช่ร่างกายใจนะเป็นผู้รับเคาะใจนะจะต้องเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เดือดร้อนพอเงินไม่พอใช้ ดีไม่ดีก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงแล้วเวลาตายไปใครไปรับผลร่างกายตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแต่ใจนี่มันไม่ตายไปกับร่างกายมันจะต้องไปเกิดใหม่มันจะต้องไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทาบาปแต่ถ้าไม่ทาบาป ก, ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเลยเอาจะเอาอย่างไหนดีจะไปตามความอยากดีหรือว่าจะฝืนความอยากดีหยุดความอยากดีถ้าหยุดความอยากได้ก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเหมือนกับพระอาารันตสาวกท่านก็จะไปนิพพานกันนิพพานนี้เป็นสถานที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจถ้าเปรียบเทียบก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด สวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังเป็นสวรรค์ที่ต้องเสื่อมลงมาไปเป็นพรหมได้พอหมดบุญก็เลื่อนลงมาเป็นเทพพอหมดบุญก็เลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนขับรถยนต์ขับไปมีน้ำมันก็ไปไหนมาไหนได้ไปเชียงใหม่ไปปักใต้จะไปไหนก็ไปได้ แต่พอน้ำมันหมดก็ต้องเข้าสถานีบริการพบของมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับสถานีบริการเป็นที่จะมาเติมบุญหรือเติมบาปกันเป็นที่ที่จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนถึงจะสามารถรู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างมากเราก็จะทำกันก็คือทำบุญบ้างทำบาปบ้างสลับกันไปแล้วแต่อารมณ์หรือแล้วแต่ว่าเราไปอยู่กับใครถ้าไปอยู่กับคนดีเขาก็จะสอนให้เราไม่ทำบาปสอนให้เราทำบุญกันถ้าไปอยู่กับคนไม่ดีเขาก็จะสอนให้เราทำบาปสอนไม่ให้เราทำบุญกันพอเราทำบาปตายไปก็ต้องไปรับผลในอบาย ถ้าเราทำบุญตายไปเราก็ไปรับผลบนสวรรค์รับรับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใหม่เพราเหมือนกับเติมน้ำมันรถตนมน้ำมันรถแล้ววิ่งไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำมันก็หมดเดี๋ยวบุญก็หมดเดี๋ยวบาปก็หมดไปใช้กรรมในอบายเดี๋ยวพอบาปที่ทำไวหไ้หมดไปเหมือนไปใช้หนี้พอใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ไปสวรรค์ก็เหมือนกันพอบุญหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธศาสนาที่จะบอกว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ต้องการพบกับความทุกข์ให้มากาจัดความอยากกัน แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนวิธีกําจัดความอยากด้วยการให้เรามาทําทานเช่นเวลาเราอยากจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากก็เอามาทําบุญแทนเอามาทําทานแทนเพื่อจะได้หยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าต้องซื้อของจําเป็นนี้ซื้อได้ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นการทําตามความอยาก เช่นไม่มีข้าวกินก็ต้องไปซื้อมากินไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ต้องไปซื้อมาใส่แต่ถ้ามีเสื้อผ้าอยู่แล้วเหลือเฟืออยู่แล้วยังอยากจะไปซื้ออีกพอเกิดความอยากจะซื้อเสื้อผ้าอีกโดยที่ไม่จําเป็นอย่างนี้ต้องไม่ซื้อถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อไปให้คนอื่นเช่นมีเพื่อนเขามีวันเกิดก็ซื้อเสื้อผ้าไปให้เขาในวันเกิดซื้ออย่างนี้ซื้อได้แต่อย่าซื้อมาให้กับเราเอง เพราะมันจะต่อความอยากให้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ตัดความอยากให้น้อยลงถ้าอยากจะตัดความอยากให้น้อยลงก็เอางเงินที่จะไปทําตามความอยากมาทําบุญกันนี่คือวิธีตัดความอยากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็ให้เราอย่าทาบาป ก, กันเพราะถ้าเราทําบาปมันก็จะทําด้วยความอยาก คนเราอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่มีก็เลยต้องไปทำบาป ก, กันอยากได้แฟนของคนอื่นชอบแฟนของคนอื่นก็ไปแย่งของมาไปประพฤติผิดประเวณีอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นไม่มีทรัพย์ของตนเองก็ต้องไปลักทรัพย์ของคนอื่นอันนี้ก็เป็นวิธีกำจัดความอยากอีกระดับหนึ่งอยากจะได้แฟนคนอื่นก็อย่าไปเรารักษาศีลเรา ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาก็ต้องไปสู่ขอให้ถูกต้องแต่ทางที่ดีอย่าไปมีดีกว่ามีแล้วก็อย่าอยากอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวคนนี้ตายไปคนนี้จากเราไปก็อยากไปมีคนใหม่ก็ยังไม่จบอยู่ดีวิธีที่จะจบก็ต้องถือศีลแปถือศีลแปกก็คือ จะไม่มีแฟนจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้เป็นเครื่องมือที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเอามาใช้หยุดความอยากต่างๆให้ทำทานให้รักษาสิล ร, รักษาสินห้าไปก่อนแล้วก็รักษาสินแ8รักษาสินแ8ดได้แล้วก็จะได้ไปอยู่วัดได้ไปทำใจให้สงบได้เพราะเวลาใจสงบความอยากก็จะหยุดไป แล้วก็ให้เราใช้ปัญญาสอนใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทําตามความอยากเวลาเกิดความอยากเราจะหยุดมันด้วยการทําใจให้สงบเราต้องมาฝึกหัดทําใจให้สงบกันด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะไม่มี ความอยากเกิดจากความคิดของเราเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามมาทันทีดังนั้นเราต้องควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วพอเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทําบาปเพราะถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินทองของคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปลักขโมย เราไม่อยากจะได้แฟนของคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปประพฤติผิดประเวณีนี่คือเครื่องมือที่พุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราเอามากําจัดความอยากกัถ้าไม่มีเครื่องมือเราจะไม่สามารถกําจัดได้เหมือนกับเวลาที่เราจะซ่อมรถยนต์ถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะซ่อมรถยนต์ไม่ได้เราจึงต้องขับรถไปที่อู่ พราะที่อู่นี้เขามีช่างมีเครื่องมือต่างๆที่จะมาซ่อมรถยนต์ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เราจะซ่อมใจของเราให้หายจากความอยากต่างๆได้เราก็ต้องมีเครื่องมือต้องมีคนสอนคนสอนก็คือพระพุทธเจ้าพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายเครื่องมือที่ท่านสอนก็คือคําสอนคําสอนที่สอนให้พวกเราทําบุญทําทาน ให้พวกเรารักษาศีลให้พวกเรามาภาวนากันมาทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะนำมาสู่ความทุกข์ใจตา่างๆนี่ถ้าเรามีเครื่องมือสามชิ้นนี้รับรองได้ว่าเราจะสามารถรักษาใจของเราให้หายจากความทุกโศกเศร้าโศกเสียใจ หายจากความวุ่นวายใจต่างๆได้หายจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเรานี่ถือว่าบุญมากมีวาสนามากมีโชคมากที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะการได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งสีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งี้ง่ายกว่าการมาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาสี และประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็มากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น0่ครั้งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น0่ครั้งก็อาจจะได้เงินสัก500ล้านบาท600ล้านบาทแต่เงิน600ล้านบาทนี้จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้แต่การที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาได้ จะทําให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวีไนว่ายตายต่อเนื่ต่อไปดังนั้นเราไม่ควรปล่อยโอกาสอันเลิศอันวิเศษนี้ให้หลุดจากมือเราไปอย่าทําตัวเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี่เวลามันขุดคุ้ยเขียมันจะหาตัวไส้เดือนหาตัวหนอนมากินแต่เวลามันไปเจอเพชรเจอพลอยนี่มันเขีย่ยทิ้งหมด อ้อมไม่รู้คุณค่าว่ามีคุณค่าราคาขนาดไหนฉันใดพราะพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนเพชรพลอยแล้วก็ราบรถสรรเสริญสุขที่พวกเราหากันนี้ก็เป็นเหมือนตัวไส้เดือนตัวหนอนพวกเรางัวแต่กินตัวหนอนตัวไส้เดือนกันเวลาเจอเพชรพลอยก็เถียทิ้งหมดเวลาพระเจ้าบอกให้ทําบุญทําทานก็ไม่ทําสอนให้รักษาศีลก็ไม่รักษา สอนให้ภาวนาทำใจให้สงบก็ไม่เอาจะเอาแต่ลาบยศสรรเสริญจะเอาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนเท่านั้นเองก็ได้มีแต่อาหารยาไส้ไปวันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเอาเพชรเอาพลอยนี่ไม่ต้องมาขุดคุ้ยหาตัวนอนตัวไส้เดือนเอาเพชรนี้ไปซื้ออาหารอันวิเศษมากินได้ทุกวันไปตลอดชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคํานึงควรจะเปรียบเทียบ ว่าตอนนี้เรากําลังจะเอาอะไรกันแน่เอาลาบยศสารเสริญสุขหรือเราจะเอามรรคผลนผลิพพานเอาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะเอามรรคผลนผลิพพานเอาเพชรอันประเสริฐเราก็ต้องทําทานรักษ า, ษาสี่งภาวนาแล้วเราก็จะได้เพชรน้รําหนึ่งเพชรอันวิเศษเพชรอันล้ําค่าที่จะทําให้เรานิ้งมีแต่ความสุขไปตลอด หลุดพ้นจากความทุกข์ทุกประการจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดด้วยความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เทิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบมำเพงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วร่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ